เจริญพรท่านสาธุชนพุทธบริษัทอุบาสกอุบาสิกาผู้ฝ่ายธรรมทุกทุกท่านวันนี้เป็นวันลางคารที่17พฤศจิกายนพุทธศักราช2552เป็นวันพระวันธรรมสวัสดิ์วันฝังธรรมวันสร้างบุญสร้างกุศล ดังที่ญาติโยมทั้งหลายได้ตั้งใจกันมาประพฤติมาปฏิบัติกันในวันนี้ก็เพื่อมาสร้างบุญสร้างกุศลซึ่งมีความสำคัญแก่ชีวิตจิตใจของตนเป็นอย่างมากเพราะบุญกุศลนี้เปรียบเหมือนเป็นลมหายใจของใจเป็นความสุขของใจ ถ้าไม่มีบุญไม่มีกุศลก็เหมือนไม่มีลมหายใจเมื่อใจไม่มีบุญไม่มีกุศลไม่มีลมหายใจใจก็จะตายจากความสุขไปจะมีแต่ความทุกข์รุมเร้าอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าจะมีฐานะอย่างไรก็ตามจะเป็นมหาเศรษฐีถ้าไม่มีบุญไม่มีกุศลก็จะมีความทุกข์ ทรมานใจถ้าเป็นคนยากจนไม่มีบุญไม่มีกุศลก็จะมีความทุกข์ทรมานใจเช่นเดียวกันในทางตรงกันข้ามถ้ามีบุญได้สร้างบุญอยู่อย่างสม่ำเสมอใจไม่ว่าจะเป็นอะไรจะเป็นมหาเศรษฐีก็มีความสุขจะเป็นขอทานก็มีความสุขเพราะความสุขใจ ไม่ได้ขึ้นอยู่กับฐานะทางการเงินแต่ขึ้นอยู่กับบุญกุศลที่สร้างกันขึ้นมาถ้าไม่มีบุญไม่มีกุศลก็เหมือนกับไม่มีอาหารหล่อเลี้ยงจิตใจไม่มีลมหายใจใจก็จะต้องตายจากความสุขจะเหลือแต่ความทุกข์ทรมานใจไว เบียดเบียนใจอยู่ตลอดเวลาดังนั้นเราจึงต้องมันทําบุญกันเหมือนกับเราต้องมันหายใจกันถ้าร่างกายไม่หายใจเมื่อไรเมื่อนั้นร่างกายก็จะต้องตายไปใจไม่ได้ทาบุญก็ต้องตายจากความสุขไปถ้าเราอยากจะมีความสุขขอให้เราทําบุญมากกว่าทาอย่างอื่น อย่าไปสนใจกับการสร้างความร่ำรวยเพราะความร่ำรวยนี้ไม่ได้ให้ความสุขใจแต่มีแต่กลับจะสร้างความทุกข์ให้กับใจมากขึ้นไปเรื่อยๆดูคนที่ร่ำรวยดูก็แล้วกันว่าเขามีความสุขใจหรือเขามีความทุกข์ใจดูคนที่ยากจน อย่างพระพุทธเจ้าอย่างพระอาหารหันตสาโกทั้งหลายท่านไม่ร่ำรวยท่านไม่มีสมบัติมากมายกายกองแต่ใจของท่านมีแต่ความสุขอยู่ตลอดเวลาเพราะใจของท่านมีมีบุญนั่นเองบุญที่ท่านได้สร้างได้สะสมได้ได้ได้ปฏิบัติอยู่ตลอดเวลาจึงทำให้ใจของท่าน มีต่ความสุขตลอดเวลาถ้าพวกเราอยากจะมีความสุขตลอดเวลาเราก็ต้องสร้างบุญตลอดเวลาเพราะบุญนี้มีอยู่หลากหลายมีอยู่หลายชนิดด้วยกันมีอยู่ถึงสิประการประการแรกก็คือบุญที่เกิดจากการให้เรียกว่าทานให้อะไรก็ได้ที่เรามีอยู่ที่เราไม่มีความจำเป็น ที่จะต้องเก็บเอาไว้เราก็ให้ไปถ้าให้ข้าวของเงินทองก็เรียกว่าวัตถุทานถ้าให้วิชาความรู้ก็เรียกว่าวิทยาทานถ้าให้อภัยไม่ถือโทษกอดเคืองผู้อื่นก็เรียกว่าอภัยทานถ้าให้ธรรมะคําสอนของพระพุทธเจ้าก็เรียกว่าธรรมทาน สิ่งที่ให้ทั้งสี่ชนิดนี้ไม่ว่าจะเป็นวัตถุวิชาความรู้หรือการให้อภัยหรือธรรมะนี่มีธรรมะมีการให้ธรรมะนี้เป็นการให้ที่ประเสริฐที่สุดมีประโยชน์มากที่สุดดังที่ทรงตัดไว้ว่าการให้ธรรมะชนะการให้ทั้งปวงแต่ถ้าเราไม่มีธรรมะ เราก็ไม่สามารถที่จะให้ธรรมะแก่ผู้อื่นได้เราก็ต้องศึกษาเริ่มเรียนปฏิบัติจนบรรลุธรรมเมื่อมีธรรมอยู่ภายในใจแล้วเราก็สามารถเอาธรรมะที่เรามีอยู่นี้ไปเผยแพร่ไปสั่งสอนให้แก่ผู้อื่นได้อย่างพ่ะพุทธเจ้าและพออระอรหันตสาวกทั้งหลายในเบื้องต้นท่านไม่มีธรรมะท่านก็ไม่สนใจต่อการสั่งสอนผู้อื่น ท่านมุ่งไปที่การปฏิบัติเพื่อให้บรรลุธรรม เ, เมื่อบรรลุธรรมแล้วท่านก็เอาธรรมที่ท่านได้บรรลุนี้มาเผยแผ่มาสั่งสอนให้แก่สัตว์โลกต่อไปนี่คือการให้ธรรมะที่แท้จริงต้องให้จากธรรมะที่มีอยู่ในใจของเราและจะเป็นประโยชน์มากแก่ผู้รับเหมือนกับพระพุทธเจ้าและพระอรันตสาวกทั้งหลาย ทำประโยชน์ให้แก่สัตว์โลกที่ฟังเทศฟังธรรมโดยตรงจากพระพุทธเจ้าก็ดีหรือจากพระอาหาันตัสสาวกทั้งหลายก็ดีก็บรับลุทากันขึ้นมาเป็นจำนวนมากเพรานะธรรมที่แสดงออกมานี้เป็นธรรมที่แท้จริงเป็นธรรมที่ไม่มีสิ่งแปลกปลอมผสมอยู่ด้วยผู้ฟังเมื่อรับน้อมเอาไป ป, ปฏิบัต กับกายวาจาใจของตนก็สามารถบรรลุขึ้นมาได้อย่างรวดเร็วต่างกับธรรมสมัยนี้ที่ <c oughs> ไม่ได้ออกมาจากความรู้จริง <c oughs> เห็นจริงแต่ออกมาจากการศึกษาแล้วก็มามาจินตนาการมาวาดภาพเอาวา่าเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้พอมาสอนก็สอนตามจินตนาการ คนฟังก็เลยไม่ได้รับประโยชน์เพราะจินตนาการกับความจริงนี้ไม่ตรงกันไม่เหมือนกันถ้าไม่เห็นความจริงแล้วต่อให้จินตนาการวาดภาพไปอย่างไรก็จะไม่ตรงกับความจริงเหมือนกับสถานที่ที่เราไม่เคยไปเราเพียงแต่เคยได้ยินได้ฟังจากผู้อื่นเราจะไม่รู้ความจริงของสถานที่นั้นเลยว่าเป็นอย่างไร ต่อให้เราจินตนาการไปอย่างไรวาดภาพไปอย่างไรมันก็จะไม่ตรงกับความจริงแต่ถ้าเราได้ไปถึงสถานที่ที่วานี้แล้วเราก็จะรู้ทุกสิ่งทุกอย่างตามความเป็นจริงหมดพอเรามาอสอนมาบอกผู้อื่นเราก็จะบอกได้อย่างถูกต้องแน่นยำํำไม่มีการผิดพลาดใจอย่างใด นี่คือการให้ธรรมะที่เป็นการชนะการให้ทั้งปวงต้องเป็นธรรมะที่เกิดจากการปฏิบัติของตนเองเป็นธรรมะที่รู้ที่รู้จริงเห็นจริงนะเป็นสันทติโกธรรมะเป็นสันติสิติโกคือผู้ปฏิบัติสามารถพิสูจน์ได้ด้วยตนเองสามารถพิสูจน์ได้ด้วยการปฏิบัติเท่านั้นถ้าไม่ปฏิบัติ เพียงแต่นั่งจินตนาการวาดภาพไปอย่างนี้ไม่เรียกว่าเป็นการ <c oughs> เป็นสันติโก้สันติโกต้องต้องปฏิบัตินอกจากเป็นสันติโกแล้วก็ยังเป็นอาการิโกอาการิโกก็คือไม่ขึ้นกับการกับเวลาไม่ขึ้นกับบุคคลไม่ขึ้นกับสถานที่ ทำนี้บรรลุได้ทุกแห่งทุกคนทุกเวลาไม่ว่าจะเป็นในสมัยพระพุท ธ, ทธการก็ดีหรือในสมัยปัจจุบันก็ดีถ้าเหตุที่จะทำให้บรรลุนั้นมีครบถ้วนบริบูรณ์คือสุปฏิปันโนอุชุปฏิปันโนยายะปฏิปันโนสามีจิปฏิปันโนถ้ามี <c oughs> ปัจจัยทั้งสี่นี้ครบถ้วนบริบูรณ์ก็จะบรรลุได้ คือต้องปฏิบัติดีปฏิบัติชอบก็คือปฏิบัติแบบถูกต้องปฏิบัติตรงก็ตรงตอบตรงต่อเป้าหมายของของการปฏิบัติปฏิบัติเพื่อการหลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดเพื่อการหลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งปวงถ้าเราปฏิบัติในสีลักษณะนี้ รับรองได้ว่าเราจะสามารถบรรลุธรรมได้ไม่ได้ขึ้นอยู่กับใครอย่าไปคิดว่าพระพุทธเจ้าเสด็จดับขันไปแล้วต่อไปนี้หลังจากท่านจากเราไปแล้วจะไม่มีใครสามารถบรรลุธรรมได้อีกอย่างนี้เป็นความเข้าใจผิดเพราะธรรมไม่ได้ขึ้นอยู่กับพระพุทธเจ้าไม่ได้อยู่กับพระพุทธเจ้า เวลาพระพุทธเจ้าจากเราไปท่านก็ไม่ได้เอาธรรมจะไปด้วยท่านกลับฝากธรรมวินัยนี้ไว้ให้เป็นศาสดาแทนพระองค์ต่อไปดังที่พระอานนท์ได้กราบทูลถามว่าหลังจากที่พระองค์จากไปแล้วใครจะมาเป็นศาสดาแ ท, แทนพระองค์ต่อไปพระพุทธเจ้าก็ทรงตัดว่าธรรมวินัยที่ตถาคตตัดไว้ชอบแล้วนี่แหละ จะเป็นศาสดาของพวกเธอต่อไปพวกเธอจะไม่อยู่ปราศจากศาสดาถ้าพวกเธอมีธรรมะอยู่ในใจของพวกเธอแต่ถ้าพวกเธอไม่มีธรรมะอยู่ในใจต่อให้เกาะชายผ้าเหลืองของสถาคตนี้ก็ไม่ไม่ได้มีศาสดาอยู่ใกล้ไม่มีศาสดาเพราะศาสดาไม่ได้ อยู่ที่สรีระร่างกายของตถาคตแต่อยู่ที่พระธรรมวินัยที่เป็นสวากขาโตภะวตาธรรมโมเป็นธรรมที่ตัดไว้ชอบแล้วนี่ต่างหากคือศาสดาของพวกเราเวลาที่เราเห็นพระพุทธรูปแล้วเรากล่าวพระพุทธรูปความจริงนี่ก็ไม่ใช่ศาสดาพระพุทธเจ้าไม่เคยสอนให้สร้างพระพุทธรูป ทรงห้ามไม่ให้สร้างพระพุทธรูปในสมัยพระพุทธการมีพระไปทาพระพุทธรูปมาถวายพระพุทธเจา้าพระพุทธเจ้าบอกนี่ไม่ใช่ตัวเราอย่าเอาอย่าสร้างอย่าไปยึดติดกับพระพุทธรูปพระพุทธรูปไม่ใช่ตัวเราให้ยึดติดกับธรรมวินยัยธรรมวินัยคือคำสอนของตถาคตนี่แหละคือตัวแทนของเราถ้าเธอมีธรรมวินยัย ต่อไปเธอจะบรรลุธรรมเมื่อเธอบรรลุธรรมแล้วเธอจะเห็นธรรมถ้าเธอเห็นธรรมเธอก็จะเห็นเราตถาคตนี่คือวิธีที่เราจะเห็นพระพุทธเจ้าจะมีพระพุทธเจ้าเป็นศาสดาจะมีพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งมีด้วยการศึกษาและปฏิบัติตามธรรมวินัยของพระพุทธเจ้า ถ้าเรายังไม่สามารถบรรลุธรรมวินธรรมะได้แต่เราได้พบได้อ่านหนังสือที่มีคุณค่าหนังสือธรรมะที่มีคุณค่ามีประโยชน์มากเราก็ยังพอที่จะแจกธรรมะให้แก่ผู้อื่นได้ด้วยการพิมพ์หนังสือธรรมะที่ดีๆแจกให้แก่ผู้ถ้าเราไม่มีธรรมะดีๆอยู่ในใจเรา แเราเห็นว่าหนังสือธรรมะดีๆนี้มีคุณมีประโยชน์กับเราและเชื่อว่าจะมีคุณมีประโยชน์กับผู้อื่นเราก็ช่วยกันพิมพ์หนังสือธรรมะแจกกันปีใหม่แทนที่จะแจกสุรายาเมากันเราควรจะแจกหนังสือธรรมะกันจะดีกว่าเพราะสุรานี้ไม่เป็นประโยชน์เดินเข้าไปแล้วยิ่งกลับทำให้โง่เขลาเบาปัญญามากยิ่งขึ้น พราะเมื่อดื่มแล้วจะไร้สติจะไร้ปัญญาจะไม่สามารถาประคับประคองตนให้อยู่ในความดีงามได้ผู้ที่ดื่มสุราแล้วมักจะไปทำการกระทาที่ไม่ชอบทั้งหลายไม่ว่าจะเป็นการประพฤติผิดประเวณีก็ดีการลักทรัพย์ก็ดี <c oughs> การพูดปดมดเท็จก็ดีการ ถ้าสัตตดชีวิตก็ดีลวนเกิดจากการขาดสติเพราะไปเสพสุรายาเมามานั่นเองดังนั้นถ้าอยากจะรักษาศีลทั้งห้าข้อให้ได้ข้อที่สำคัญที่สุดก็คือข้อสุราถ้ารักษาข้อสุราไม่ได้ก็จะไม่สามารถรักษาข้ออื่นได้ข้อสุรานี้จึงเป็นข้อที่สำคัญอย่างยิ่งถึงแม้การดื่มสุรา นั้นยังไม่ได้เป็นการไปกระทําบาปทํากรรมแต่เมื่อดื่มแล้วก็จะเปิดโอกาสให้ไปทําบาปทำกรรมได้ง่ายขึ้นนั่นเองจึงต้องบัญญัติข้อสุรายาเมาดีเอาไว้ไม่ให้ดื่มสุรายาเมาดังนั้นเราจึงไม่ควรที่จะแจกจ่ายสิ่งของที่เป็นพิษเป็นภัยต่อผู้อื่น วัตถุทานที่เป็นคุณเป็นประโยชน์ก็คือปัจจัยสีเช่นยารักษาโรคอาหารเครื่องนุ่งหง่มที่อยู่อาศัยเวลาที่มีคนเดือดร้อนเราให้สิ่งเหล่านี้ไปเขาก็จะได้รับประโยชน์แต่ถ้าเราให้สุรายาเมาไปเขาก็จะไปดื่มแล้วก็ทำให้เกิดอาการมึนเมาแล้วก็จะไปทะเลาะวิวาท แล้วก็จะไปทุกตีทำร้ายผู้อื่นการให้สุรา ห, หรือการให้สิ่งอย่างอื่นที่เป็นพิษอันตรายต่อชีวิตของผู้อื่นจนเป็นสิ่งที่เราไม่ควรให้กันควรจะให้สิ่งที่ดีๆที่เป็นประโยชน์นอกจากปัจจัยสีแล้วสิ่งที่ควรจะให้ก็คือธรรมะนี่แหละขอให้เราให้ธรรมะกันให้ธรรมทานกันแล้ว เราจะมีความสุขผู้ที่รับก็จะมีความสุขนี่คือเรื่องของทานซึ่งเป็นหนึ่งในบุญที่มีอยู่10ประการด้วยกันประการที่สองก็คือศีลศีลที่พวกเรามาสมาทานมารักษากันนี้ก็มีหลายหลายระดับด้วยกันศีลหก็เป็นระดับหนึ่งศีล8ศีล10ก็เป็นอีกระดับหนึ่งศีล2อิก็เป็นอีกระดับหนึ่ง ถ้าเราสามารถรักษาได้มากเท่าไหร่จิตใจของเราก็จะได้บุญได้ความสุขมากขึ้นไปตามลำดับรักษาข้อ1นึงก็สู้รักษาสองข้อไม่ได้รักษาสองข้อก็รักสู้รักษาหาข้อไม่ได้รักษา5ข้อก็สู้รักษา10ข้อ8ข้อไม่ได้ต้องรักษาให้มากๆเหมือนกับได้เงินมาได้เงินมา10บาทก็สู้ได้เงินมา1้อยบาทไม่ได้ ได้เงินร้อยบาทมาก็สู้ได้เงินพันบาทมาไม่ได้ดังนั้นถ้าเราอยากจะได้ความสุขมากๆเราก็ต้องรักษาศีลให้ได้มากๆและก็ไม่ใช่เฉพาะรักษาเพียงแต่ในวันพระเท่านั้นรักษาวันเดียวก็สู้รักษาสองวันไม่ได้รักษาสองวันก็สู้รักษาทุกวันไม่ได้ถ้าเราอยากจะได้บุมมากๆเราก็ต้องรักษาศีลหลายๆข้อ แล้วก็ต้องรักษาทุกๆวันและเราจะได้บุญมากบุญอีกประการหนึ่งเรียกว่าภาวนาภาวนาก็คือการพัฒนาจิตใจจิตใจจะพัฒนาได้ก็ต้องหนึ่งมีความสงบสองต้องมีปัญญาเราจรึงต้องเจริญสมถภาวนาก่อนเพราะสมถภาวนาคือการทําใจให้สงบเมื่อใจสงบแล้วเราจรึงค่อย พัฒนาปัญญาสอนใจให้ฉลาดให้รู้ว่าสิ่งต่างๆในโลกนี้ไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไม่ใช่ของเราไม่ใช่ตัวเราเช่นร่างกายนี้ไม่เที่ยงเกิดแก่เจ็บตายร่างกายนี้เป็นกองทุกข์ทุกวันนี้ที่เราทุกข์กันก็ทุกข์เพราะร่างกายทุกข์เพราะความแก่ทุกข์เพราะความเจ็บไข้ได้ป่วยทุกข์เพราะความตายร่างกายไม่ใช่ตัวเราของเรา เมื่อตายไปแล้วมันก็แยกออกจากเราไปเราคือใจก็ไปทางหนึ่งร่างกายมันก็ไปอีกทางหนึ่งร่างกายก็กลับคืนสู่ดินน้ำลมไฟใจก็ไปตามบุญตามบาปถ้าบาปพาไปก็ไปอบายถ้าบุญพาไปก็ไปสู่สุขติไปสู่สวรรค์ไปสู่มรรคผลนิพพานดังนั้นเราต้องพัฒนาใจให้เกิดปัญญา เพราะเมื่อมีปัญญาแล้วเราจะได้ไม่พาใจไปในทางที่ไม่ดีไม่ทําบาปทํากรรมจะทําแต่บุญจะทําแต่กุศลจะปองจะวางร่างกายถ้าปองวางร่างกายได้แล้วก็ไม่มีเหตุที่จะต้องไปทําบาปทํากรรมกันเหตุที่พวกเรายังทําบาปทํากรรมกันอยู่ก็เพราะเรายังวางร่างกายไม่ได้ เรายังปล่อยให้ร่างกายตายไม่ตายไม่ได้ถ้ามีใครจะมาฆ่าเราเราต้องฆ่าเขาก่อนอย่างนี้เป็นต้นหรือถ้าร่างกายอดอยากขาดแคลนไม่มีอาหารรับประทานเราก็ต้องไปฆ่าสัตว์ตับชีวิตไปยิงนกตกปลาเพื่อมาเป็นอาหารแต่ถ้าเราปองได้แล้ววางได้แล้วว่ายัางไงยังไงร่างกายมันก็ต้องตายอยู่ดีถ้าเป็นเช่นนั้นเราก็ ไม่ไปยิงนกตกปลาไม่ไปฆ่าผู้อื่นถ้าเขาอยากจะฆ่าเราถ้าเขามีปัญญาแล้วเราไม่สามารถหลบหนีเขาได้เราก็ยอมให้เขาฆ่าไปเพราะไม่ช้าก็เร็วก็ต้องตายเหมือนกันแต่ตายแบบนี้แล้วตายอย่างมีความสุขตายไม่ทุกข์ทรมานใจแต่ถ้าตายแบบกลัวตายเพราะยังยึดยังติดยังไม่อยากตายอยู่ ก็จะตายอย่างทุกข์ทรมานใจถ้ามีปัญญาแล้วจะตายอย่างสงบตายอย่างมีความสุขเพราะรู้ว่าร่างกายไม่ใช่ตัวเราของเรารู้ว่าร่างกายต้องตายอย่างแน่นอนไม่มีใครไปยับยั้งไปหักผ้ามันได้ถ้าปล่อยวางร่างกายยอมให้มันตายจะไม่มีความทุกข์อยู่ในใจนี่คือเรื่องของการภาวนาพูดมาเป็นตัวอยา่างเพื่อให้เข้าใจ ว่าเมื่อทำแล้วจะได้อะไรจะได้ความสงบจะได้ความสบายใจบุญอีกอย่างหนึ่งที่เราทำกันอยู่เสมอก็คือบุญอุทิศเวลาเราทำบุญเช่นวันนี้เวลาพระอนุโมทนาให้พรเราก็อุทิศส่วนบุญเวลาอุทิศส่วนบุญนี้เราจะอุทิศ ต, ตอนที่พระกล่าวคำว่ายะถาพอท่านเริ่มสวดสัพพีเราก็หยุด ตวดน้ำมีน้ำเหลือเท่าไรเราก็เทให้หมดแล้วก็นั่งพนมมือรับสับพพีเพราะว่าสัพพีนี้เป็นการให้พรส่วนญาถานี้เป็นการให้ผีเข้าใจไหมเขาบอกว่าญาถาให้ผีสัพพีญาตาให้ผีศัพีให้คนเวลาพระญาถาแเราก็ตรวดน้ำอุทิศส่วนบุญให้แก่ผู้ร่วงรับไปพอพระสวดสัพพี เราก็พนมมือรับพรเพราะตอนสักพีนี้พระให้พรกับเรานี่คือการอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลถ้าเราไม่มีน้ำก็ไม่จ้องใช้น้ำกระดาษเพราะน้ำไม่ใช่เป็นตัวบุญตัวบุญก็คือความสุขใจที่เราที่เกิดจากการได้ทาบุญนี้เองพอเราได้ทาบุญแล้วเราจะมีความอินเอิบใจมีความสุขใจเราก็จะแบ่ง ความอิ่มเอิบใจนี้ให้แก่ดวงวิญญาณที่ยังมีความหิวมีความอยากอยู่พอเขาได้รับบุญนี้เขาก็จะเกิดความอิ่มเอิบใจตามมาแล้วเขาก็จะได้เดินทางไปสู่ภพชาติที่รอเขาอยู่ต่อไปนี่ก็คือบุญที่เกิดจากการอุทิศแล้วก็มีบุญที่เกิดจากการอนุโมทนาบุญของผู้อื่น เวลาผู้อื่นทำบุญก็เราก็อนุโมทนาสแสดงความยินดีเช่นเวลามีใครมาวัดมาอยู่ปฏิบัติธรรมเราก็ต้องอนุโมทนาเราอย่าไปขัดอย่าไปว่าไม่ดีอย่างนั้นไม่ดีอย่างนี้มาอยู่วัดทำไมเสียเวลาเปล่าๆปล่าเสียเวลาทำมาหากินไม่ควรพูดอย่างนี้เพราะการมาอยู่วัดมาสร้างบุญสร้างกุศลนี้ เป็นสิ่งที่กระเสริฐที่สุดเป็นสิ่งที่มีคุณค่ามากกว่าการทำมาหากินหางเงินหาทองหลายล้านเท่าด้วยกันเพราะบุญกุศลนี้จะทำให้ใจหลุดพ้นจากความทุกข์ได้แต่เงินทองไม่สามารถทำให้ใจหลุดพ้นจากความทุกข์ได้ดังนั้นเวลามีใครเขาทำบุญอย่าไปขวางอย่าไปห้ามอย่าไปขัดควรจะสนับสนุนถ้าเขาไปทอดกถินทอดผ้าป่า ถ้าเรามีเงินพอที่จะสนับสนุนก็ร่วมทำไปกับเขาอย่าไปขัดขวางอย่าไปห้ามเขาอย่าไปทำให้เขาควายเขวอย่าไปบอกว่าทำไปทำไมนรกไม่มีสวรรค์ไม่มีบุญไม่มีตายแล้วสูงอย่างนี้ไม่ควรพูดควรจะอนุโมทนาควรจะแสดงความยินดีเพราะว่าเมื่อเราแสดงความยินดีเราก็จะมีความสุข ร่วมไปกับเขาด้วยนั่นเองบุญอีกอย่างหนึ่งก็คือบุญที่เกิดจากการอ่อนน้อมถ่อมตนทำตัวเองให้เป็นผู้น้อยอยู่เสมอมีความอ่อนน้อมถ่อมตนไม่อวดเบ่งไม่อวดเก่งไม่อวดโตอวดใหญ่ถึงแม้จะเป็นใหญ่เป็นโตก็ไม่อวดไม่เบ่งทำตนเองเป็นผู้อ่อนน้อมถ่อมตนอยู่เสมอ เพราะว่าการอ่อนน้อมถ่อมตอนนี้จะทําให้ใจสบายจะทําให้ใจไม่ต้องมาวุ่นวายถ้าทําเป็นคนใหญ่คนโตถ้าเกิดมีใครเข้ามามาเบรกกับเราเราก็จะเกิดอารมณ์ขึ้นมาเราก็จะโกรธเกิดความโกรธขึ้นมาหรือถ้าเขาไม่ยกย่องเราไม่ถือว่าเราใหญ่เราโตไม่ไม่อ่อนน้อมต่อเรา เราก็จะมีความโกรธขึ้นมาได้แต่ถ้าเราทำตัวให้เป็นผู้อ่อนน้อมถ่อมตนเราไปไหนเราก็จะไม่หวังให้ใครเข้ามามาเคารพนับถือเรามายกย่องมาสรรเสริญเราใครเขาจะปฏิบัติอย่างไรกับเราเราก็จะไม่เดือดร้อนนี่คือบุญที่เกิดจากการทำตนให้เป็นผู้อ่อนน้อมถ่อมตน และบุญที่เกิดจากการมีความเห็นที่ถูกต้องคืออะไรก็คือเห็นว่าบาปมีจริงบุญมีจริงนรกมีจริงสวรรค์มีจริงตายแล้วต้องไปเกิดใหม่ถ้าทำบุญก็ไปเกิดในสวรรค์ถ้าทำบาปก็ไปตกนรกนี่เป็นความจริงแต่เรายังมองไม่เห็นกันเพราะเราไม่มีธรรมะไม่มีปัญญาเหมือนพระพุทธเจ้า พระพุทธเจ้าเห็นสิ่งเหล่านี้ท่านจึงนามามาสั่งสอนพวกเราพวกเรายังไม่เห็นเราก็ต้องเชื่อไว้ก่อนเชื่อพระพุทธเจ้าแล้วไม่ขาดทุนแน่นอนเพราะมีผู้ที่เชื่อพระพุทธเจ้ามาเป็นจํานวนมากแล้วแล้วก็ได้ผลกําไรกันทุกคนได้บรรลุมากผลนิพพานได้หลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดด้วยกันเป็นจานวนมากเพราะศรัทธาความเชื่อเชื่อในความจริงเชื่อในความจริง ว่านรกมีจริงสวรรค์มีจริงตายแล้วต้องไปเกิดใหม่มีจริงถ้าเราเชื่ออย่างนี้ก็เรียกว่าเรามีสัมมาทิฏฐิมีความเห็นชอบการจะมีสัมมาทิฏฐิได้ก็ต้องเกิดจากการศึกษาฟังเทศฟังธรรมอยู่เรื่อยๆถ้าเราไม่ฟังเทศฟังธรรมแล้วมิจฉาทิฏฐิคือความเห็นผิดเป็นชอบมันก็จะมาครอบงำจิตใจ พระใจของเรานี้มีมิจฉาทิฐิเป็นเจ้านายเป็นหัวหน้าเวลาที่เราไม่มีพระธรรมคำสอนเข้ามาต่อต้านเราก็จะถูกมิจฉาทิตฐิหลอกให้เราไปสร้างความทุกให้กับเราเช่นหลอกให้เราไปสร้างความร่ารวยหลอกให้เราไปเป็นใหญ่เป็นโตหลอกให้เราไปเที่ยวตามสถานที่ต่างๆไปหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกาย เหล่านี้เรียกว่ามิจฉาทิฐิทั้งนนเป็นความเห็นผิดเป็นชอบเห็นกงจักเป็นดอกบัวเห็นทุกข์ว่าเป็นสุขพวกเราจึงต้องทุกข์กันอยู่จนทุกวันนี้เพราะเราวิ่งเข้าหาความทุกข์กันหาความทุกข์กันเราไม่ได้หาความสุขกันถ้าหาความสุขเราต้องทําบุญทั้งสิประการที่ได้แสดงให้ฟังนี้ต้องทําบุญให้ทานต้องรักษาศีลต้องภาวนา ต้องอนุโมทนาบุญต้องกวดน้ำอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลต้องทาตนให้เป็นผู้อ่อนน้อมทาตนต้องรับใช้สังคมรับใช้ผู้อื่นแล้วก็ต้องฟังเทศฟังธรรมอยู่เรื่อยๆถ้าเราทำบุญทั้ง1ิประการนี้แล้วใจของเราจะมีบุญหล่อเลี้ยงอยู่ตลอดเวลาเหมือนกับร่างกายที่รับประทานอาหารจะมีหล่อเลี้ยอาหารหล่อเลี้ยงร่างกายอยู่ตลอดเวลา ทำให้อยู่ได้อย่างร่มเย็นเป็นสุดใจของเราก็ต้องการอาหารคือบุญกุศลมาหล่อเลี้ยงจึงขอให้พวกเราจงพยายามสร้างบุญสร้างกุศลกันอยู่ทุกเวลาที่เรามีโอกาสไม่ว่าเราจะอยู่ที่ใดสถานเวลาใดถ้ามีโอกาสทำบุญขอให้เราทำไปเถิดเพราะบุญนี้ไม่ได้จาเป็นที่จะต้องทำที่วัดเสมอไปสีลนี้ ร, รักษาได้ทุกคนทุกแห่ง ไม่ใช่มาอยู่วัดจำศีลเท่านั้นอยู่บ้านก็จำศีลได้อยู่ที่ทำงานก็จำศีลได้เพราะศีลก็คือการกระทำที่ไม่ไม่เสียหายนั่นเองถ้าเราไม่พูดปดเราก็มีศีลแล้วถ้าเราไม่รักขโมยเราก็มีศีลแล้วอย่างขณะนี้เรามีศีลครบอยู่ทุกข้อเลยเพราะเราไม่ได้พูดไม่ได้ทำอะไรเรานั่งอยู่เฉยๆทําไมเราไม่สามารถรักษาอย่างนี้ไปได้ตลอดเวลา เรารักษาได้เพียงแต่เราไม่ให้ความสนใจเท่านั้นเองพอเราลุกจากที่นี้ไปแล้วเราก็ปล่อยให้กิเลสมันลากพาเราไปพอเห็นอะไรอยากได้อะไรก็จะหามาด้วยวิธีการต่างๆหามาด้วยวิธีที่สุดเจริมไม่ได้ก็ต้องหามาด้วยวิธีทุตจริตเราก็ไปทำบาปทากรรมเพราะเราไม่ยับยั้งจิตใจของเราไม่ยับยั้งกิเลสตัณหาปล่อยให้มันชุดลากพาเราไปทาบาปทากรรม แต่ตอนนี้เรารู้แล้วว่าไม่มีอะไรจะมีคุณค่ายิ่งกว่าบุญและกุศลเวลากิเลสตัณหาหลอกให้เราไปหาความร่ำรวยหาตําแหน่งสูงสูงหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายเราก็ต้องต่อต้าเราก็ต้องยับยัง้งบอกสอนบอกกิเลสว่าไม่ดีมาหาบุญมาหากุศลดีกว่ามาทําบุญดีกว่ามารักษาศีลมาปฏิบัติธรรมดีกว่า นี่คือการต่อสู้กับกิเลสเป็นการละบาปเป็นการสร้างบุญสร้างกุศลถ้าเราทำได้แล้วรับรองได้ว่าเราจะมีแต่ความสุขอยู่ในใจของเราเสมอไม่ว่าเราจะร่ำจะรวยจะแก่จะจะเจ็บจะตายหรือไม่อย่างไรจะไม่เป็นปัญหาต่อจิตใจจึงขอฝากเรื่องของการมาสร้างบุญสร้างกุศลนี้